ดูที่อดิญญาณความรู้แปลกๆต่างๆท่านแสดง้ในสูตรอดญอะไรอดิญญาณสูตรหรืออะไสกทิปโสสทิปโสตะทิปจักขุอิทิวิที พระคิตาวิชามันมีพวกเอาอิญญาณหกอันอธิบายไว้ละเอียดคืออธิหมายตั้งในบาลีนะเป็นความละเอียดมันไม่มีคำแปลหรอแต่เราก็เข้าใจเพราะได้เรียนบาลีมาแล้วเรีนดูมคตก็เข้าใจเล ที่ประจักสุตตานี่ไม่จะเหมือนตาเราไม่มีที่มืดที่แจ่มสามารถมองเห็นได้หมดตรงกระทั่งปิดใจของคนและสัตว์ จิตใจของใครหยาบหนาใจิตใจของใครเบาบางตามในบาลีนะตลอดทั้งสัตว์สัตว์ก็มีประเภทหนาประเภทบางคือมีตัวหนาตัวบางประเภทต่างๆมีเหมือนกันกันกบใจิตใจมนุษย์บางตัวก็สัตว์บางตัวกว็หนาบางตัวก็บางคนก็ บางคนก็หนาบางคนก็บางที่ว่าแยกมาจนกระทั้งท่านพัฒนมามาจนข้า ง, งถึงแม่ผู้ปฏิบัติผู้ใดที่มียังจิตใจยังมีหนาอยู่ด้วยความโลภความปวดความหลงพระทษตสาวโหหกก็เห็นได้ชัดอย่างนั้นอุทิบางลงไปจากพิเรนเหลดด่านี้ก็เห็นได้ชัด นกรทั่งผู้ที่สิ้นสุดลิมุดถึงพระนิพพานแล้วเรียกว่าเป็นพระรหันต์แล้วก็มองเห็นรู้เห็นได้ชัดอธิบายละเอียดมากอธิบายไปกทั่งถึงความตุติความเกิด ของสัตว์ท่านบาตที่ไปสืบที่ไปสืบก็ได้ยินละเอียดละอได้ยินทั้งเสียงเทพเสียงอะไรเทพชั้นไหนสามารถได้ยินหมดไม่ว่าจะเสียงมนุษย์เสียงเทพ ก, ก็ได้ยินมนุษย์จะพูดใกล้พูดไกลไม่สําคัญได้ยิน เทพจะเป็นชั้นไหนละเอียดเพียงไรก็ได้ยินหมดเสียงปกเทินี่เียวที่ประส์ในหลวงแสดงอิทธิปฏิหารคนเดียวสามารถทำให้เป็นคนสองคนสามคนขึ้นมาจนระตั้งถึงร้อยถึงพันถึงหมุนถึงแสนก็ได้ แล้วย่นเข้ามาคนจํานวนมากให้เหลืออยู่เพียงคนเดียวก็ได้แล้วขยายเรื่องของคนเกี่ยวกับเรื่องงานต่างๆอย่างนี้คนหนึ่งทํางานหนึ่งคนหนึ่งทํางานหนึ่งมีจํานวนมากน้อยเพียงไรการงานจนั้นเหมือนกันต่างคนต่างทําหน้าที่การงานของตนไม่ซ้าคัญไม่ใช่งาน อันเดียวกั น, นแผนกเดียวกันต่างคนต่างทำเป็นอย่างหนึ่งก็ดำดินลงไปก็ได้เหาะเหินเดินฟ้าเช่นเดียวกับนกที่มีปีกก็ได้จะไปใกล้ไปไกลเท่าไหร่ไม่สำคัญเพราะเป็นอิทธิฤทธิ์ไปด้วยอิทธิฤทธิ์ พุทจากที่นี่ไปปากฏตัวที่โน่นก็ได้กำแพงนั้นหนาภูเขาทั้งลูกทะลุไปเลยได้ทะลุะจากกำแพงนี้โปรยทราบกำแพงทางโน้นทะลุจากภูเขาลูกนี้ผ่านไปอยู่ทางโน่นก็ได้ท่านท่านพูดไวนะ้เป็นบาลีนี่ก็ไม่มีสิน้นสุดแล้วแต่อำนาจ วัษนาของผู้นั้นที่จะมีความป้างขวางละเอียดละ อ, อ่ต่างกันเป็นลำดับลำดับไม่ได้หมายถึงว่าผู้เป็นนั้นจะต้องเหมือนกันมีความแคบหนักเบาลึกซึ้งต่างกันแนีวก็อกุเพน้วากหมายถึงความเคยเกิดในภบชาติใดๆสามารถคือระลึกได้ตั้งแต่หนึ่งชาติถึงสองชาติร้อย ชาติพันชาติเลื้อยไปไม่มีประมาณพร้อมทั้งรู้ว่าชาตินั้นๆเกิดเป็นอะไรในรับความสุขความทุกข์ความลำบากลำบุญขนาดไหนแล้วมีอะไรเป็นอาหารในภพนั้นๆกำหนดทราบได้เลยละเอียดและออก ท, าท่านอธิบายไปดูไปก็ทำให้เทินเลยเหมือนกัน เป็นเป็นบทบาลีเป็นบุบนบบสวดบทสวดมนต์เป็นสูตรมีในขัง้งพุทธการมีพระประเภทเหล่านี้อยู่มากต่อมาถึงสมัยทุกวันนี้ไม่เพียงแต่ว่าไม่มีมากคนนังกลับไม่เชื่อทุกเดือซ้ำไปนะ มันโกงขังน้นนี่นี่คือความจริงที่เป็นผลของการปฏิบัติตามนิสัยวาสนาของผู้ได้บำเพ็งมาต่างๆกันซึ่งขึ้นอยู่กับความปรารถนาของผู้นั้นๆในการบำเพ็ญถึงานความดีตั้งแต่เริ่มแรกได้ทงความปรารถนาไว้เป็นปรารถนาเป็นพุทธะโมอปรารถนาเป็นสาวกภูม แต่ให้มีอำ น, นาจปรัชนามีความรู้ความฉลาดในทางนั้นทางนั้นหรือปรัถนาเป็นอัปบรกข้างซ้ายหรือข้างขวาอะไรนั่นเวลาสันสันเด็จขึ้นมาก็เป็นไปตามแถวนั้นแต่ผู้ไม่ปรัถนาอย่างนั้นปรัชนาแต่ความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวความพ้นทุกข์ก็เป็นของผู้นั้นแต่อาการลึกสิ่งปืดย่อยทําปืดย่อยที่จะ ใช่ที่จะรู้เรื่องื่ต่างๆนี่มันไม่ค่อยมีแต่คําว่าพระอรหันต์นี่จะปจะปฏิเสธว่าท่านไม่รู้อะไรเฉลยอย่างนี้ก็ไม่ถูกท่านรู้มันกันแต่ไม่มากมากาการกองอะไรพอจะออกนั่งร้านผู้หนึ่งอะทําไม่รู้หนึ่งรู้เป็นแต่เพียงว่าไม่มาก เป็นเครื่องหมายของพระหันอยู่็นได้สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ในวิสัยของมนุษย์และอยู่ในภูมิอำนาจวาสนาของผู้นั้นที่ได้ปรารถนามาพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ก็แสดงไว้ตามความจริงที่ผู้ปฏิบัติได้ปรากฏผลและ ผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับผลเช่นนั้นตามกำลังอำนาจวาสนาของตนที่ได้บำเพ็ญมาและได้ทำความปรารถนามาอย่า ง, างไรเวลาผลปรากฏก็ต้องเป็นอย่างนั้นท่านพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสด า, า, าของโลกเป็นผู้สอนโลกต้องมีเครื่องมือที่จะช่วยในการ สั่งสอนได้มากมายเช่นเดียวกับนายช่างพู้ชา่างนายช่างทิ่ฝีมือเอกเขาต้องมีเครื่องทำงานเครื่องมือมากมายก่ายกองไม่งั้นก็ไม่ครบในการปลูก บ, บ้านสร้างเรือนหรือสร้างตึกสร้างละร้านใหญ่โตๆต้องให้มีเครื่องมือครบหมดตึกรามนั้นๆถึงจะ ส ม, สมบูรณ์เต็มคุณภาพของตอนในฐานะความเป็นพระพุทธเจ้านอกจากจะทรงรู้หรือตรัสรู้ธรรมโดยสมบูรณ์ในพระไทยเป็นพระหันคือความขึ้นสิเลโดยพระนามแห่งพระพุทธเจ้าแล้ว ยังสามารถรู้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นเครื่องประกอบอีกมากมายเช่นเดียวกับเครื่องมือของนายช่างที่จะทำมาพราะนั้นความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้าจึงต่างกันกันกบสาวกมากมายก่ายกองเทียบกันไม่ได้เลย ในธรรมท่านกล่าวไว้ว่ากันยานุปุตชนไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระโสดาบันได้น่าจะมีความรู้ความฉลาดขนาดไหนก็ตา่างพระโสดาบันไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระสกิทาคามีได้พระสกิทาคามีไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระของพระอนาคามีได้ พระนาคามีไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระราหาันได้นะพระราหารันทั้งปวงไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระอภาษาวอกข้งซ้ายข้างขวาได้นะแม้พระภสษาบอกข้งซ้ายข้างขวาว่าเป็นผู้สำคัญในบรรดาสาวกทั้งหลายก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าได้นะานฟังดูว คือเป็นลำดับลำดายอย่างนี้ความที่เป็นลำดับลำดานี้ไม่ได้หมายถึงความบริสุทธิ์คือความเป็นพระรหัรนั้นอันนั้นเหมือนกันหมดไม่มียิ่งมีหย่อนกว่ากันแม่นิดหนึ่งเลยตามหลักธรรมทั้นกล่าไวไว้ว่านัตถิเซโยวาปาปิโยไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกาันแม่นิดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกองสุดท้ายจะเหมือนกันหมด แต่ที่กล่าวในเรื่องต่างกันชนนี้คือธรรมะเครื่องประดับหรือเครื่องมือในการสั่งสอนสัตว์โลกมีต่างกันอย่างพระพุทธเจ้าเรียกว่ารอบพระองค์อุบายวิธีการต่างๆที่จะนามาสั่งสอนสัตว์โลกให้สมภูมิความเป็นาศาสดราของโลกต้องให้เต็มภูมิเพราะฉะนั้นการสั่งสอนสัตว์โลกโดยความเป็นพระพุทธเจ้า ดึงมีผลมากเรารับประโยชน์มากคนบรรลุบรรลุมรรคผลนิพพานมากมายผิดกับบรรดาสาวกทั้งหลายนี่คือเครื่องมืออุบายวิธีการสั่งสอนเึ็นตาก็ตาทิพเชียนะช่วยในทางตาทิพด้วยไม่เพียงหมดตาธรรมดาตาทิพช่วยด้วยหูทิพช่วยด้วย อิทธิปฏิหารช่วยด้วยแล้วแต่จะใช้ปฏิหารในทางใดเช่นอาเทสนาปฏิหาริยะอิทธิปฏิหาริยะอาเทสนาปฏิหาริยะได้แก่อุบายในการแนะนําสั่งสอนด้วยคนอุบายต่างๆที่จะให้สัตว์โลกได้รับประโยชน์จากอุบายวิธีการของพระพุทธเจ้าผู้ทรงสเลฉลิมฉลาหรืออิทธิปฏิหารซึ่งควรจะแสดงนิธิปฏิหาร ในแง่ใดแง่หนึ่งซึ่งจะเกิดประโยชน์กับบุคคลนั้นๆหรือประเภทนั้นข้อสงแสดงเป็นการเป็นสมัยที่เห็นว่าครวรเป็นปุเพนิวาสานุสติยานผิดรงนลชาติได้เพียงรึกชาติพระองค์ได้แล้วยังสามารถที่จะดูพบชาติของสัตว์ทั้งหลายได้อีก นำเอาเรื่องของพระองค์ที่เป็นมาในพบต่างๆมาสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อให้เป็นประโยชน์เกิดบรรดาสัตว์และยังนําเรื่องของสัตว์โลกมาแสดงให้สัตว์โลกฟงังด้วยความเป็นมาในความเกิดความตายนี้เป็นอย่างไรบ้างนี้เรียกว่าหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าจะทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้มีรอบพระองค์ไม่มีใครเสมอเหมือนการทําประโยชน์จึงได้มากมายกายกองผิดธรรมดาทั่วไปอยู่มาก บรดาสาวกท่านก็เต็มภูมิของท่านคือเต็มภูมิของใครของเราอย่างพภาษาริบุตรก็มีความเฉลียวฉลาดสามารถนับได้ฝนตกมาเป็นเวลาฝนตกอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนภาษาริบุตรสามารถนับได้ทุกเม็ดฝนนี่เป็นความเฉลียวฉลาดแง่คายทางด้านปัญญา มีต่างกันเช่นนี้ธโมคลาก็แสดงอิทธิปฏิหารสาวกแต่และองค์องค์ท่านมีความสามารถเป็นตามกำลังของท่านที่จะให้สัตว์โลกได้รับประโยชน์โดยทั่วไปผิดกับเราทั้งหลายอยู่มากเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอัตธรรมที่ท่านแสดงนั้นแสดงออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงจริ ง, รงไม่ได้มีการด้นเดาว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ รู้แล้วค่อยแสดงออกมาด้วยความรู้นั้นเห็นแล้วจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งได้ปฏิบัติทั้งได้รู้ได้เห็นทั้งได้ละได้ถอนแล้วนำมาสั่งสอนโลกจึงมีความแม่นยำและแน่ใจในการสอนผู้ฟังก็ถึงใจผิดกับความร่นเราอยู่มากมายมเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธการ คนที่บรรลุมรรคผลอผนิพานจึงมีมากผิดกับสมัยต่อๆมาเป็นไหนๆเนื่องจากหนึ่งผู้ที่รับฟังในสมัยในสมัยนั้นซึ่งเป็นสมัยที่ไม่มีศาสนาก็เรื่องของโโลๆที่ปิ้นก้อนหลอกลวงอย่างทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะมี คนรู้สึกจะมีนิสัยตรงไปตรงมาอยู่มากประกอบกับผู้ที่ประกาศาศาสนาธรรมขึ้นในระยะนั้นในในเวลานั้นก็เป็นผู้รู้จริงเห็นจริงและคำว่ า, าศาสนาไม่เคยปรากฏในโลกมาเป็นเวลานานเมื่อมีผู้ประกาศความจริงขึ้นมาตามหลักศาสนาคือสื่อทอดมา จากพระพุทธเจ้าองค์นั้นนแล้วขาดวักขาดตอนเป็นพุทธันดรหนึ่งมาถึงพระพุทธเจ้าองค์นี้จึงเป็นเหตุให้ม น, นัาสัตว์โลกทั้งหลายมีความสนใจให้จะฟังธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ประกาศขึ้นมาแล้วให้เกิดความเชื่อความน้ำใสเห็นคล้อยไปตามหลักธรรมที่แสดงแล้วด้วยความถูกต้องนั้นให้เวลาประพฤติปฏิบัติก็ มุ่งหน้ามุ่งตาประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำจริงๆไม่มีโลกเข้าไปแฝงเช่นอย่างสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติ ต, ตามพระพุทธเจ้าก็ดีบรรดาพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันมุ่งต่ออัดต่อทำโดยถ่ายเดียวศาสนาก็เป็นศาสนาแท้เป็นธรรมแท้ ไม่มีโรคเข้าไปเคลือกแฉมจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของตนขึ้นมาในทํามกลางแห่งศาสนาองค์ของศาสนาเองเลยกลายเป็นกระพิ้เป็นเปลือกไปเสียอย่างสมัยทุกวันนี้ทมเป็นทมศ า, าสนาเป็นศาสนาผู้ฟังฟังเพื่อเพื่อทำปฏิบัติเพื่ อ, เ พ, อ, อเพื่อทำแท้เพราะฉะนั้นทำจึงจแสดงผลขึ้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามเหตุที่บาเพง ของผู้นั้น น, นั้นคืกันนี่การการล่วงมาโดยลงดับลำดั บ, บผู้ที่จะรู้จริงเห็นจริงตามความจริงดังที่กล่าวนี้นั้นมีน้อยลงเลื่อยจนแทบจะพูดได้ว่าไม่มีนีเมื่อเมื่อไม่มีก็มันก็มีแต่ความดน้นความดาวความเชื่อความสายความมุ่งมั่นในอ่ณาธรรมทั้งหลายก็ด้อยลงด้อยลง ความด้อยลงแห่งความสนใจหรือความเที่ยวความสงสัยไม่เพียงจะ ด, ด้อยลงเพียงเท่านั้นสิ่งที่เป็นท่าศึกกันหรือเป็นประปากกันก็ย่อมจะเจร่ญนขึ้นแทรกศาสนาเข้าไปความรู้ความเห็นก็แทรกเข้าไปดังทุกวันนี้เราหาดยที่ตัวจริงของศาสนาความจริงศาสนาแท้ไม่ค่อยจะปรากฏ ม, มีแต่เอาศาสนาออกเป็นโลกบังหน้าโลกแท้แ้ซึ่งควรจะอยู่ ฝ่ายหนึ่งกลับเข้าไปเป็นเนื้อเป็นหนังในถ้ากลางแห่งศาสนาเจ้าเององศาสนาซึ่งเป็นโลกยกขึ้นมาบางหน้านั้นกลับกลายเป็นกัะพรี้เป็นเปลือกไปแค่หมดที่ไหนก็มีตั้งแต่เรื่องหนังนี้พอเริ่มอะไรขึ้นมาก็มีเรื่องโลกเข้าไปเหยียบย่าทำลายศาสนางานที่นั่นงานที่นี่งานอะไรมีแต่งานเพื่อโลกเพื่อได้เพื่อล่าเพื่อรวยเพื่อความโลภ โมโทโสทั้งนั้นไม่ว่าในวัดนอกวัดนั้นเป็นไปอย่างนี้จึงเรียกว่าโลกกลายเป็นเนื้อเป็นหนังในถ้ำกลางแห่งศาสนาขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวคำว่าศาสนาแท้กันเลยไม่ค่อยปรากฏไปกลายไปเป็นเปลือกเป็นกะพี่ไปเสียดีไม่ดีจนจะไม่มีนี่แล้วเมื่อไปชนนั้นผลที่จะปรากฏจะ อ, อะไรมาปรากฏ เมื่อเหตุไม่ได้เป็นไปตามความมุ่งหมายแห่งรผลก็ต้องเป็นไปแบบที่ว่านี้เท่านาั้ไปหาผ้าก็มีแต่พัดะปเปลาหัวเนี่ยลดน้ำมนื์หอตะกุดคาถาขอเสนียาแด ให้ดูดวงธาตวลาสีนะีูลึกดูยามดีไม่ดีดูลายไม่ลายมือฮนะเตือย่างวิวิธิพอถามกันองค์นั้นคนขึ้นมากทา ง, งดางิดีทางไหนดีทางไหนน่ะเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเห็นความลึกซึ้งของธรรมดีทางไหนไม่ได้หมายถึงว่าดีในธรรมดีไปแบบที่ว่านี้่ทางไห น, น ทีนี้เมื่อไปจนะนั้นนะไหนศาสนาที่ไหนมันก็ไม่มีมันมีแต่อย่างนี้ทั้งนั้นแล้วเราจะหามากผลนิพานที่ไหนได้เมื่อมีแต่เรื่องอย่างนี้มันก็ปรากฏตั้งแต่อย่างนี้ขึ้นมาผลกับผลไปแบบเดียวกันนีไ่ไม่เป็นผลเรื่องมากผลนิพานธ์มันจะว่าอย่างไงแล้วเราจะตำหนิใครเรื่องจิตใจมันตกกับตกศา ส, สนาสะอาด ขนาดไหนมันก็สู้ความตกกระปกไม่ได้เช่อนอย่างของสะอาดเอกของตกกระปกปลาเข้าไปสิมันก็เลอะไปหมดเสื้อผ้าเป็นต้นเราาของตกกระปกปลาเข้าไปสิมันก็เลอะไปตามๆกันศาสนาสนารธรรมสะอาดเป็นส่วนคาตธรรมที่กลัดไว้ชอบแล้วจริงแต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติชอบเลยสิเอาตะขี้ต้มขี้โคนปลาเข้าไปปลาเข้าไป ถ้าอยู่ที่ไหนก็ปาเข้ามาอยู่างนีนก็ปาเข้ามาฉนั้นแล้วก็บอกว่าเป็นชาวพุทธนับถือพุทธแพวกนับถือพุทธนี่แหละพวกเอาขี้โคลนปลาเข้าไปในศาสนาธรรมหแหลกไปหมดแล้วของจริงมันอยู่ที่ไหนจริงมันมีแต่ที่โคลนเต็มหมดในศาสนาธรรมเช่นเดียวกับที่โคลนเต็มในเนื้อผ้าเราหาความสะอาด จ, จากผ้าที่ไหนได้มันก็ไม่มีน่ะ นี่เราพูดในภาคทั่วไปนิยจนเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับตัวของเราวันหนึ่งเวลาหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งเวลาหนึ่งเราที่โคลนปลาเข้ามาในเนื้อผ้า ค, คือจิตใจของเราที่เป็นภาชนะสมควรแก่ธรรมของพระพุทธเจ้านีมากน้อยเพียงไหกี่ครั้งกี่หนเราก็นับไม่ได้หเหมือนกันแล้วจะให้มีความใสสว่าง พระจางแจ้งมีความสงบต้มเย็นที่ไหนเมื่อมันเต็มไปได้วยตุ่มด้วยโคนหาความใสสะอาดที่ไหนมีนั้นก็มีแต่ความมัวหมองความดําความสกรปรกภายในใจผลที่จะแดงออกจากความตกกระปะภายในใจก็มีแต่ความรุ่มร้อนนี่นี่เราพูดให้เป็นประโยชน์สําหรับเราได้น้อมเข้ามาคิดเพื่อประโยชน์สําหรับตัวเองแล้วเราจะแก้ไขด้วยวิธีใหญ่ต้องอาศัยความน้ำมัดระหวัง สติเป็นสิ่งสําคัญที่จะรักษาจิตให้มีความแคล้าคลาดปลอดภัยให้มีความสงบร่มเย็นได้มีสติและมีปัญญาใค่อวๆพิจารณาดูเหตุดูผลว่าถูกผิดผิดถูกดีชั่วประการใดสติเป็นผู้ควบคุมจิตใจใจเมื่อมีสติเป็นเจ้าของเป็นผู้รักษาอยู่แล้วถึงมันจะเกิดอะไรขึ้นมามันก็งับดับกันได้เพราะสติคอยรับประกันอยู่แล้วหากว่าสติอาดได้เสีย มันก็หาสถานีที่จอดแว้ไม่ได้ถ้าเป็นรถก็ต้องลงครองเพราะเหยียบแต่คันเร่งไม่ได้หมุนพวงมาลัยให้เป็นไปตามสายทางอะไรๆมันก็แหลกได้แต่ของประมาท อ, อย่างเดียวคือความไม่มีสติท่นานนำพิเกินานจะิตใจเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากในโลกนี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นสาระ คุณอันสำคัญยิ่งกว่าใจใจจึงควรได้รับการอบรมฝึกปรือรู้ฝึกฝนทรมาจะทุกข์ยากลำบากบ้างเรายอมรับเพราะเป็นงานเพื่อความดีสำหรับอนใครไม่ยากไม่มีไม่ว่างานใดต้องมีความยุ่งยากเขาเป็นคู่เคียงกันเสมอไม่ว่างานทางโลกทางธรรม ยิ่งงานทางทรรเป็นงานหรือหร้อภพรื้ชาติรือวัฏสงสารรื้อจีเรียตัญหาอันเป็นเทียนนามเกียนแกงพายใจิตใจให้ออกไปโดยลําดับจนกระทั่งให้หมดไปโดยสิ่นเชิงต้องเป็นงานที่ยากเป็นงานที่หนักแต่คุ้มค่าเมื่อทำได้แล้วเราจะปล่อยให้มันดีจะเถิดมันดีไม่ได้ จิตใจเราจะต่อยให้เป็นตามนถ า, ากรรมมันก็ไปแบบนั้นกรี๊งลงไปกรี๊งลงไปหาทางทวนกระแสมนันมีเอาลงจมก็จมจมลงไปก็คือเรานั่นแหละเป็นผู้จมทุ ก, ก็คือเราไม่มีใครรับผิดชอบเราเป็นผู้รับผิดชอบเปล่าเราจึงควรสนใจในการฝึกขัดตัวเองหรือหักห้ามตัวเอง สมกับความลับติดช่องก็จะเป็นความสุขความสบายแต่สมมติว่าเดินทางแดดร้อนๆก็เหมือนกับเรามองเห็นต้นไม้ชายคาอยู่ข้างหน้าเราเรายังพอหวังเย็นจะทุกจะลำบากแต่การหักห้ามการติดผนการทรมานตนการกดขีบ่บังคับในความไม่ดีของตนมีอยู่มันก็ต้องยอมรับกันจนได้ สู้ความฝุกความทรมานเราไม่ได้เพราะใจเป็นของเราถ้าเราไม่ฝึกจะปล่อยทิ้งไว้เฉยก็ทิ้งไปจริงๆหาสาระอะไรไม่ได้นอกจากทิ้งไปจริงแล้วยังย้อนหลังขึ้นมาเป็นความทุกข์แก่ตัวของเราพูดทิ้งนี่ก็อีกนี่จึงไม่ควรทิ้งที่เป็นความเหมาะสมอย่างนี้พยายามอบรมตัวเอนให้ดีนะการแสดงธรรมประเห็นสมควร